บุกทูสิบสามกิจกรรมรถ занятка มาท่าทำอะไรชมสมาตเธอทำงานในสำนักงาน ยประจุวอฟฟิศเธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ยนาประจุยจคมพิวเตรมมาท่าอยู่ที่ไหนยมา์ตที่โรงหนังอุคินะเธอกำลังดูหนังยนาดิติม ปีเตอร์ทำอะไรชิมไ а มายต์เซปีเตอร์เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยยุนวุชิตเซวาอุนิเวอร์ซิทเขากำลังเรียนภาษายุนวิวุชัยโมวปีเตอร์อยู่ไหนจีปีเตอร์ ที่ร้านกาฟกแฟกาเวียร์นิเขากำลังดื่มกาแฟยุนเปียคาวพวกเขาชอบไปไหนคุ ด, ดี้ยอนลูเบตส์ฮ ด, ดิจไปดูคอนเสิร์ตนาคอนเสิร์ตพวกเขาชอบฟังดนตรี ยน люб รู้เบมพวกเขาไม่ชอบไปไหนคุยันนี่นิไปดิสโก้นดิสกอกุพวกเขาไม่ชอบเต้นรำนราา ย, ยิมญีปุ่นตสว